วณะเปะเวสนกันดาวรา น, นากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มีพระเวสสันดรเป็นต้นทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายที่เดินสวนทางมาจึงตรัสถามว่าเขาวงกฎอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายทูลตอบว่ายังไกลด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมา เราจะถามมัคากับพวกเขาว่าเขาวงกฎอยู่ที่ไหนพวกเขาเห็นเราทั้งหลายในระหว่างมักคานั้นจะพากันคร่อมครวนด้วยความกรุณาพวกเขาบอกให้ทราบถึงความลำบากว่าเขาวงกฎยังอยู่อีกไกลพระชาลีและพระกัญหาชินาได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้มีผลต่างๆสองข้างทางก็ทรงกันแสง ด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระมหาสัตว์ต้นไม้ที่มีผลก็น้อมลงมาสัมผัสพระหัต์แต่นั้นพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บพลาผลที่สุกดีประทานแกสองกุมาร น, นั้นพระนางมัซีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงทราบว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าครั้งนั้น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 หน้าขนพองสยองกล้าวนี้จึงซ่องสาธุการว่าหน้าอัศจรรย์คนลุกขนพองไม่เคยมีในโลกหนาด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองได้ตั้งแต่เชตุดรราชธานีถึงภูเขาชื่อสุวรรณคีรีตาละมีระยะทางห้ายนตั้งแต่สวรณคีรีตาละ ถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารามีระยะทางห้าโยน์ตั้งแต่แม่น้ำโกนติมาราถึงภูเขาชื่ออัญชนนคิรีมีระยะทางห้าโยน์ตั้งแต่ภูเขาอัญชนนคิรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อตุณณวิถะนาลิทัน์มีระยะทางห้าโยน์ตั้งแต่บ้านพราหมณ์ตุนณวิถะนาลิทัน์ถึงมาตุละนะครมีระยะทางสิบโยน์ รวมตั้งแต่เชตุดร น, นครถึงแคว้นนั้นเป็นระยะทาง30โยชนเทวดาย่นมักขานั้นกษัตริย์ทั้งสพระองค์จึงเสด็จมาถึงมาตุละนะครในวันเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าถ้อยเทพทั้งหลายมาช่วยย่นมักขาให้เพื่ออนุเคราะห์พระกุมารทั้งสองกษัตริย์ทั้งสี่เสด็จถึงเจตรรัต โดยวันที่เสด็จออกนั่นเองก็แลกษัตริ์ทั้งสี่เมื่อเสด็จไปได้เสด็จดำเนินออกจากเชตุดอนนครในเวลาเสวยเช้าแล้วลุถึงมาตุลนครในเจตรัฐเวลาเย็นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ากษัตริ์ทั้งสี่พระองค์นั้นเสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตรัษ ซึ่งเป็นชนบทเจริญมั่งคั่งมีมังสะและข้าวดีๆเป็นอันมากในการนั้นในมาตุลนครมีกษัตริย์หกหม0พระองค์อาศัยอยู่พระมหาสัตวย์ไม่เสด็จเข้าภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองครั้งนั้นพระนางมัตสีชำระธุลีที่พระบาทของพระมหาสัตว์และถวายงานนวดพระบาท ทรงคิดว่าเราจักยังประชาชนให้รู้ความที่พระเวสสันดรเสด็จมาจึงเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลาในที่พระโพธิสัตว์จะทอดพระเนตรเห็นได้ด้วยเหตุนั้นหญิงทั้งหลายผู้เข้าสู่เมืองและออกจากเมืองก็ได้เห็นพระนางมัตสีต่างเข้าห้อมล้อมพระองค์พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าสตรีชาวนาครเจตรรัตเห็นพระนางมัตสีผู้มีสุภลักษณ์เสด็จมาก็พากันห้อมล้อมกล่าวกันว่าพระแม่เจ้าผู้สุคุมารชาตินี้เสด็จมาด้วยประบาทพระนางเคยเสด็จไปด้วยคารหามวและราชรส วันนี้พระนางมัตสีต้องเสด็จดำเนินในป่าด้วยพระบาทบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระนางมัตสีผู้มีสุภลักษ์เสด็จมาลักขณะมาคตังความว่าพระนางมัตสีพูดถึงพร้อมด้วยลักษณะทั้งปวงเสด็จมาคำว่าเสด็จมาปริทาวติความว่า พระนางเป็นเจ้าหญิงสุคุมารชาติอย่างนี้หนอะต้องเสด็จด้วยพระบาทเที่ยวไปคำว่าเคยเสด็จไปปริยายิตวาได้แก่เสด็จเที่ยวไปในนครเชตุดรในการก่อนคำว่าววิกายะได้แก่ด้วยววทองมหาชนเห็นพระนางมัตสีพระเวสสันดรและพระโอรสทั้งสองพระองค์ สเสด็จมาด้วยความเป็นผู้น่าอนาจึงไปแจ้งแก่พญาเจตราชทั้งหลายพญาเจตราชทั้งหกหมื่นก็กันแสงร่ำพิไรมาเฝ้าพระเวสสันดรพระศาสดาเมื่อทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพญาเจตราชทั้งหลายได้ทัศนาเห็นพระเวสสันดรต่างก็ทรงกันแสงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ทรงพระสําราญไม่มีพระโรคาพาธแลหรือพระองค์ไม่มีความทุกข์แลหรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธไม่ได้แลหรือชาวนครสีพีก็ไม่มีทุกข์หรือข้าแต่พระมหาราชาพนิกายของพระองค์อยู่ณที่ไหน กระบวนรถของพระองค์อยู่ณที่ไหนพระองค์ไม่มีมาส่งไม่มีรถส่งเสด็จดำเนินมาสิ้นทางไกลถูกฆ่าศึกย่ำยีกระมังจึงเสด็จมาถึงทิศนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ทัศนาเห็นทิศวาได้แก่เห็นแต่ไกลทีเดียวคำว่าพญาเจตรราชทั้งหลาย เจตปาโมขาได้แก่กษัตริย์เจตรราชทั้งหลายคําว่าเข้าไปเฝ้าอุปาขมุงได้แก่เข้าไปหาคําว่าทรงพระสําราญไม่มีพระโรคาพาตกุสลังได้แก่ความไม่มีโรคคําว่าไม่มีความทุกข์อะนามายังได้แก่ความไม่มีทุกข์ คำว่าพนิกายของพระองค์อยู่ณที่ไหนโกเตพลังได้แก่กองทหารของพระองค์อยู่ที่ไหนด้วยคําว่ากระบวนรถรรัฐมันรังเหล่ากษัตริย์เจตราชทูลถามว่ารถซึ่งประดับแล้วที่พระองค์เสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนคําว่าไม่มีม้าสรงอนาสโกได้แก่ ไม่มีมา้าทรงเลยคําว่าไม่มีรถระทรงอรัทโกได้แก่ไม่มียานคําว่าเสด็จดําเนินมาสิ้นทางไกลทีฆะมัตทานมาคโตได้แก่พระองค์เสด็จมาสิ้นทางไกลคําว่าถูกย่ายีปกโตได้แก่ถูกฆ่าศึกครอบงําย่ายีครั้งนั้นพระมหาสัต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 ขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิดบรรดาคาเหล่านั้นคําว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าตัสหมิงเมความว่าชาวสีพีทั้งหลายโกรธเราในเพราะเหตุนั้นคําว่าทรงกลิว้วอุปหะโตมโนความว่าพระราชบิดาก็กีิ้วคือทรงขัดเคือง จึงทรงขับไล่เราจากเว่นแคว้นด้วยคําว่าอันเป็นที่อยู่ยัตถะพระเวสสันดรตรัสว่าพวกเราควรอยู่ในป่าใดท่านทั้งหลายจงรู้โอกาสเป็นที่อยู่ของพวกเราในป่านั้นลำดับนั้นกษัตริย์เจตรราชทั้งหลายทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้ว พระองค์มิได้เสด็จมาร้ายเลยพระองค์ผู้เป็นอิสาราธิปดีเสด็จมาถึงแล้วขอจงตรัสบอกพระประสงค์สิ่งซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ข้าแต่พระมหาราชขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหารข้าวสาลีผักเง่ามันน้ำพึ้งและเนื้อพระองค์เสด็จมาถึงเป็นแขกที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย สมควรจะต้อนรับบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าขอจงตรัสบอกพระประสงค์ปะเวทยะความว่าขอพระองค์จงตรัสบอกข้าพระบาททั้งหลายขอมอบถวายทุกสิ่งคำว่าเง่าบัวพิสังได้แก่เง่าบัวคือเง่าอย่างใดอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระเวสสันดรตรัสว่า สิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรนาการเป็นอันท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่างพระราชาทรงขับไล่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกฏแน่สหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิดบรรดาคาเหล่านั้น คำว่าสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วปฏิกขหิตังความว่าทุกสิ่งนั้นที่ท่านทั้งหลายให้แล้วก็เป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วเทียวข้อว่าบรรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่างสัพพัสสะอักขิยังกตังความว่าบรรณาการคือของมอบให้ เป็นอันท่านทั้งหลายกระทำแล้วแก่ข้าพเจ้าทุกอย่างข้อว่าพระราชาทรงขับไล่ข้าพเจ้าอวรุทธสิมังราชาความว่าก็พระราชาทรงขับไล่คือเนรเทศข้าพเจ้าจากแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจาักไปเขาวงกฎเท่านั้นท่านทั้งหลายจงรู้สถานที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้านั้น กัตเจตรราชทั้งหลายเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพเชิญเสด็จประทับณเจตรรัตนี้ก่อนเถิดจนกว่าชาวเจตรรัตจกไปเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลวิงวอนให้พระมหาราชผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญทรงทราบว่าพระองค์ไม่มีโทษชาวเจตรรัตทั้งหลายได้ที่พึ่งแล้ว มีความปรีดาจะพากันแห่แวดล้อมพระองค์ไปข้าแต่บรมมกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลวิงวอนรัญโยสันติกะยาจิตุงได้แก่จักไปเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลวิงวอนคำว่าให้ทรงทราบ นิชชาเปตุงได้แก่เพื่อให้ทรงทราบว่าพระองค์หาความผิดมิได้คาว่าได้ที่พึ่งแล้วลัทธปัจจยาได้แก่ได้ที่พึ่งอาศัยแล้วคาว่าไปคัดฉันติได้แก่จากไปพระมหาสัตร์ตรัสว่าการไปเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลบิงวอนให้พระองค์ทรงทราบว่า เราไม่มีโทษท่านทั้งหลายยาชอบใจเลยในเรื่องนั้นแม้พระราชาก็ไม่ทรงเป็นอิสระเพราะถ้าชาวนครสีพีทั้งพล น, นิกายและชาวนิคมโกรธเคืองแล้วก็ปรารถนาจะกำจัดพระราชาเสียเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในเรื่องนั้นตัดถะความว่า แม้พระราชาก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในการที่จะให้ประชาชนทราบว่าเราไม่ได้มีความผิดในเรื่องนั้นคําว่าโกรธเคืองแล้วอัจจุขตาได้แก่ขัดเคืองยิ่งคําว่าพล น, นิกายภรรคคาได้แก่พ น, นิกายคือแม่ทัพคําว่าจะกําจัดประทังเสตุงได้แก่ เพื่อนําออกจากราชสมบัติคําว่าพระราชาราชานางได้แก่แม่พระราชาบิดากษัตริยเจตราชเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ผดุงรัฐถ้าพฤติการนั้นเป็นไปในรัฐนี้ชาวเจตรัต์ขอถวายตัวเป็นบริวารเชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัตนี้ทีเดียว รัฐนี้ก็มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็เพียบพูนกว้างใหญ่ข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงปรงพระไทยปกครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าถ้าพฤติการนั้นเป็นไปในรัฐนี้สจเจเเอสาปวัตเตถะได้แก่ถ้าในรัฐนนี้มีพฤติการอย่างนี้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 ผู้ถูกขับไล่จากแว่นแคว้นชาวนครสีพีทั้งพลนิกายและชาวนิคมคงไม่ยินดีว่าชาวเจตวรัฐราชาพิเศษข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่ไปจากแว่นแคว้นแม้ความไม่เบิกบานใจพึ่งมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าเป็นแน่อันหนึ่งความบาดหมองและความทะเลาะกับชาวสีพีข้าพเจ้าไม่ชอบใจ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 คำว่าความไม่เบิกบานใจอะสัมโมทิยังได้แก่ความไม่ปรองดองคำว่าอัศพึงมีแก้เป็นพเวยะคำว่าใช่แต่เท่านั้นพึงอัทธสะความว่าคราวนั้นความบาดหมองของพวกท่านกับชาวนครสีพีจะมีเพราะเราคนเดียวเป็นเหตุ แลพระมหาสัตว์ครั้นตรัสอย่างนี้แล้วแม้พวกพญาเจตราชทูลวิงวอนโดยอเนกปริยายก็ไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติครั้งนั้นพญาเจตราชทั้งหลายได้ทำสักการะใหญ่แด่พระมหาสัตว์พระมหาสัตว์ไม่ปรารถนาจะเสด็จเข้าภายในพระนครครั้งนั้นพวกพญาเจตราชจึงตกแต่งศาลานั้นกั้นพระวิสูิ์ ตั้งพระแท่นบันทมทั้งหมดช่วยกันแวดล้อมรักษาพระเวสสันดรพักแรมอยู่หนึ่งราตรีทรงมีเหล่าพญาเจตราชเหล่านั้นทรงเคราะห์รักษาบันทมที่ศาลารุ่งขึ้นทรงน้ำแต่เช้าสเสวยโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆทรงพญาเจตราชเหล่านั้นแวดล้อมสเสด็จออกจากศาลา พยาเจตราชหกหมื่นพระองค์เหล่านั้นโดยเสด็จพระเวสสันดรสิ้นระยะทางสิบห้าโยศหยุดที่ประตูป่าเมื่อจะทูลระยะทางข้างหน้าอีกสิบห้าโยศจึงกล่าวว่าเชิญเถิดราชรุษีทั้งหลายผู้ทรงบูชาไฟมีพระไทยตั้งมั่นประทับอยู่ณประเทศใดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะ ก, กราบทูลประเทศนั้นให้ทรงทราบเหมือนอย่างผู้ฉลาดในหนทางฉะนั้นข้าแต่พระมหาราชาโน่นภูเขาสิลาชื่อว่าคันธเมศอันเป็นสถานที่ที่พระองค์พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีสมควรจกประทับอยู่พระเจ้าค่าพญาเจตรราชทั้งหลายก็ทรงกันแสงพระเนตรนองด้วยอสุชน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 ถัดนั้นไปพระองค์จะได้ทรงเห็นภูเขาศิลาชื่อว่านาลิกะบันพศอันเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเป็นที่ชุมนุมแห่งโมูกินนอนทางทิศอีสานแห่งนาลิกะบันพศนั้นมีสระน้ำชื่อว่ามุจจรินดารดาษไปด้วยบุญดริกอุบลขาวและอุบลแดงเชิญพระองค์ผู้เป็นดังราชสี มีความจำนงเหยื่อสเสด็จเข้าไปยังไพรสนวนาสถานคล้ายเช่นกับเมฆอันเป็นภูมิภาคมีหญ้าแพรกเขียวฉุ่มอยู่เป็นนิดสะพรั่งไปด้วยไม้มีดอกและไม้มีผลทั้งสองอย่างในไพรสนนั้นมีฝูงวิหกมากมายต่างๆสีมีเสียงเสนอไพเราะต่างทรงเสียงประสานกันอยู่บนต้นไม้ อันผลิดดอกตามฤดูกาลพระองค์เสด็จถึงซอกเขาอันเป็นทางเดินลําบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ําทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสะโบกครณีอันดารดาษไปด้วยสลอดและกลุ่มน้ํามีหมูปลาหลากหลายเกลื่อนกล่นมีท่าราบเรียบมีน้ํามากเปียมอยู่เสมอเป็นสะสี่เหลี่ยมมีน้ําจืดดี ปราศจากกลิ่นเหมน็นพระองค์ควรทรงสร้างบรรณศาลาทางทิศอีสานแห่งสะโบุรณีนั้นครั้นทรงสร้างบรรณศาลาสำเร็จแล้วควรทรงบาเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยการเที่ยวแสวงหามูลพลาหารบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าราชฤาษีราชิสิได้แก่ผู้ที่เป็นพระราชาแล้วบวช คำว่ามีพระทัยตั้งมั่นสมาหิตาได้แก่เป็นผู้มีจิตแน่วแน่พยาเจตราชาทั้งหลายเมื่อยกหัดขวาขึ้นทูลบอกว่าเชิญพระองค์เสด็จทางเชิงบรรพชนี้กราบทูลด้วยคำว่าโน้นเอสะคำว่าสมควรจากประทับอยู่อัจฉสิได้แก่จากประทับอยู่ คำว่าแม่น้ำอาปะกังได้แก่แม่น้ำเป็นทางน้ำไหลคือนำน้ามาคำว่าไหลมาจากซอกเขาคิริคับพรังได้แก่ไหลมาแต่ช่องเขาทั้งหลายคำว่ามีผลหวานฉ่ามัทุวิบ พ, พลังได้แก่มีผลอร่อยคำว่าอันเป็นที่รื่นรมรัมมะเก ได้แก่หน้ารื่นรมคำว่าเป็นที่ชุมนุมแห่งมูกินนอนกิงปุริสายุตังได้แก่ประกอบคือเกลือนไปด้วยกินนอนทั้งหลายคำว่าด้วยอุบลขาวและอุบลแดงเสตโสคันทิเยหิจัได้แก่ประกอบด้วยอุบลขาวและอุบลแดงมีประการต่างๆคำว่า ผู้เป็นดังราชสีมีความจำนงเหยื่อสีโหวามิสเปกขีวะได้แก่ดุดราชสีล่าเหยื่อคำว่ามีเสียงสนอะพินทุสตราได้แก่มีเสียงกลมกลม่อมคำว่าไพเราะวักคูได้แก่มีเสียงหวานคำว่าต่างทรงเสียงประสานกันอยู่กูชันตะมุปกูชันติ ได้แก่เข้าไปร้องภายหลังร่วมกับ น, นกที่ร้องอยู่ก่อนคำว่าบนต้นไม้อันผลิดดอกตามฤดูกาลอุตุสำปุบผิเตทุเมได้แก่แอบที่ต้นไม้มีดอกบานตามฤดูกาลส่งเสียงร้องประสานเสียงกันคำว่าพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นโสอัทธะได้แก่ พระองค์นั้นจักทอดพระเนตรเห็นคำว่าอันดารดาษไปด้วยสลอดและกลุ่มน้ำกรันชกะกุทายุตังได้แก่เกลื่อนไปด้วยต้นสลอดน้ำและต้นกลุ่มทั้งหลายคำว่าปราศจากกลิ่นเหมน็นอับปฏิคันที่ยังได้แก่ปราศจากกลิ่นปฏิกูลคือเต็มเปียมด้วยน้ำหวานดารดาษด้วยปทุมและอุบลเป็นต้น มีประการต่างๆข้อว่าพระองค์ทรงสร้างบรณารณศาลาปัญณาศาลังอมาปะยะได้แก่พึงสร้างบรณารณศาลาคำว่าครั้นทรงสร้างบรณารณศาลาสาเร็จแล้วอมาเปตวาได้แก่ครั้นสร้างแล้วข้อว่าควรทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยการเที่ยวสแสวงหา อุนฉาจริยายะอิหะทะความว่าข่าแต่สมมุติเทพลำดับนั้นพระองค์พึงดำรงพระชนชีพด้วยการเที่ยวสแสวงหาเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดคือพึงเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่เถิดพญาเจตรราชทั้งหลายกราบทูลมักคา15โ้ายุธแด่ประเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดว่า ปัจจามิตคนใดคนหนึ่งยาพึงได้โอกาสประทุษร้ายเลยเพื่อจะบรรเทาพยันตรายแกพระเวสสันดรเสียจึงให้เรียกพลานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรเป็นคนฉลาดศึกษาดีแล้วมาสั่งว่าเจ้าจงกำหนดตรวจตราคนทั้งหลายที่ไปไปมามาสั่งชนี้แล้วให้อยู่รักษาช่องทางเข้าแล้วกลับไปสู่นครของตน ฝ่ายพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราชเทวีเสด็จถึงเขาคันธมาต์ประทับพักผรอนอยู่ณที่นั่นตลอดวันแต่นั้นบ่ายพระพักตริอุดรนเสด็จลุถึงเชิงเขาเวปุระบันพศประทับนั่งที่ฝั่งเกตุ ม, มดีนทีสเสวยเนื้อมีรสอร่อยซึ่งนายพรานป่าผู้หนึ่งถวาย พระราชทานเข็มทองคำแก่นายพรานนั้นทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นมีความกรวนกระวายสงบสเสด็จขึ้นจากแม่น้ำประทับนั่งณร่มไม้ใสที่ตั้งอยู่ยอดสาุบันพศหน่อยหนึ่งสเสวยผลใสแล้วทรงลุกขึ้นสเสด็จไปถึงนาลิกะบันพศเมื่อสเสด็จต่อไปก็ถึงสมุ จ, จรินสเสด็จไปตามฝั่งสระ ถึงมุมด้านพิษอีสานเสด็จเข้าสู่ชักไพรโดยทางเดินได้คนเดียวล่วงที่นั้นก็บรรลุถึงสะโบกครณีสี่เหลี่ยมข้างหน้าของภูเขาทางเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายขณะนั้นพิภพของเท้าสักกะเทวราชสํำแดงอาการเร่าร้อนเท้าสักกะทรงพิจารณาก็ทรงทราบเหตุการณ์นั้น จึงทรงดำริว่าพระมหาสัตว์เสด็จเข้าสู่หิมวันตะประเทศพระองค์ควรได้ที่เป็นที่ประทับจึงตรัสเรียกพระวิสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าแน่พ่อจงไปสร้างอาสมบทในสถานที่อันเป็นที่รื่นรมณเวงเขาวงกดแล้วกลับมาแล้วทรงส่งพระวิสุกรรมไป พระวิสุกรรมรับเทวะบัญชาว่าสาธุแล้วลงจากเทวโลกไปณที่นั้นในระมิดบรรณาศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่อยู่กลางคืนที่อยู่กลางวันแล้วให้มีกอไม้อันวิจิตด้วยดอกต่างๆและดงกล้วยในที่นั้นนั้นในที่สุดที่จงกรมแล้วเตรียมบรรพชิตบริขารทั้งปวง แล้วจะรึกอักษรไว้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดใครจะบวชก็จงใช้บริขารเหล่านี้แล้วขับไล่เสียซึ่งเหล่าอามนุษย์และหมูเนื้อหมูนกที่มีเสียงน่ากลัวแล้วกลับที่อยู่ของตนฝ่ายพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงกำหนดว่าจะมีสถานที่อยู่ของพวกบรรพชิตจึงให้พระนามัตสี และพระราชโอรสทีดาพักอยู่ที่ทวารอาสมบทพระองค์เองเสด็จเข้าสู่อาสมบททอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายก็ทรงทราบความที่เท้าสักกะประทานด้วยเข้าพระไถว์ว่าเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นเราแล้วจึงเปิดทวารบรรณาลาเสด็จเข้าไปทรงเปลื้องพระแสงขันและพระแสงสร ทั้งพระภูษาทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าหนังเสือบนพระอังสากล้าวมนทนชดาทรงถือเพศลูษีทรงจับทานพระกรสด็จออกจากบรรณาศาลายังสิริแห่งบรรพชิตให้ตั้งขึ้นพร้อมทรงเปล่งอุทานว่าโอเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้ถึงบรรพชาแล้ว สเสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมสเสด็จจงกรมไปมาแล้วสเสด็จไปสํานักพระราชโอรสธีดาและพระราชเทวีด้วยความสงบเช่นกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าฝ่ายพระนางมัตสีเทวีเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจําได้ทรงหมอบลงที่พระบาทแห่งพระมหาสัตว์ทรงกราบแล้วทรงกันแสงเข้าสู่อาสมบทกลับด้วยพระมหาสัตว์ แล้วไปสู่บรรณศาลาของพระนางทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดังเสือบนพระอังสากล้ามนฑนชดาทรงถือเพศเป็นตาปสินีภายหลังให้พระโอรสพระธิดาเป็นดาบทน้อยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่ที่เว้งแห่งเขาวงกฏครั้งนั้นพระนางมัตสีทูลขอพรจากพระมหาสัตว์ว่า าแต่ส ม, มุติเทพพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาผลไม้จงเสด็จอยู่หนบันณนาศาลากับพระราชโอรสและพระราชธิดาหม่อมฉันจะนำพลาผลมาถวายจำเดิมแต่นั้นมาพระนางนำพลาผลมาแต่ป่าบำรุงปฏิบัติพระราชสวามีและพระราชโอรสพระราชธิดา ฝ่ายพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ทรงขอพรกับพระนางมัตสีว่าแน่พระนองมัตสีผู้เจริญจำเดิมแต่นี้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นบรรพชิตแล้วขึ้นชื่อว่าหญิงเป็นมนทินแก่พรหมจันทร์แต่นี้ไปเธออย่ามาสู่สำนักฉันในเวลาไม่สมควรพระนางทรงรับว่าสาธุ แม่เหล่าสัตว์ดีชาลทั้งปวงในที่สามโยตโดยรอบได้เฉพาะซึ่งเมตตาจิตต่อกันละกันด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระมหาสัตว์พระนางมัตสีเทวีสเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตั้งน้ำดื่มน้ำใช้แล้วนำน้ำบ้วนพระโอทน้ำสงฆ์พระพักมาถวายไม้ชําระพระทนกวาดอาสมบท ให้พระโอรสพระธิดาทั้งสองอยู่ในสำนักพระชนกแล้วทรงถือกระเช้าเสียมขอเสด็จเข้าไปสู่ป่าหามูลพลาผลในป่าให้เต็มกระเช้าเสด็จกลับจากป่าในเวลาเย็นเก็บงําพลาผลไว้ในบรณารณาศาลาแล้วส่งน้าและให้พระโอรสพระธิดาสงครั้งนั้น กษัตริย์ทั้งสองค์ประทับนั่งเสวยพลาผลแทบทว า, บนนารบรรณศาลาแต่นั้นพระนางมัตสีพาพระชาลีและพระกัญหาชินาไปสู่บนนารรณศาลาของตนกษัตริย์ทั้งสี่ประทับอยู่นเวงเขาวงกฏสิ้นเจ็ดเดือนโดยทำนองนี้แลด้วยประการชนีวนปรปเวสนกันดารนนาจบ